เรื่องเรือนไฟหนึ่งเรื่องหนึ่งสมาัยนั้นพระอนนุ์สาคัญว่าผ้าอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งในเรือนไฟเป็นของตนจึงนุ่งภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของผ้าอันตรวาสศ ก, กล่าวกับท่านพระอนน์ว่าทาไมท่านจึงเอาผ้าอันตรวาสกของผมไปนุ่งท่านผมสาคัญว่าเป็นของผม